ปุโปรสะทากะระนอตุปเบนะวิถังปุบักิตจังกะตับังโหติตันทอนตมัจยะนันจะตาปิปุจฉะนันจะอาตนะปัญญะปะนันจะปานิยปริโผจะิยูปัตหะปะนันจะฉันดาระหานังผีคูนางฉันดาระระนนจะเตซันเยวะกตุโปสะทานังปาริสุธิยาปอาหารระนนจะอุตุขานันจะผีคู่กันเนาะนาจะผีคูนีนโมวาโดติ ตถาภูริเมสุจะตูสุกิเจสุปรปกิตังอิดาสุริยาโลกัสัติาิอนิเตภิกขูนังวัตังจุานันเตหิภิกขหิาตาิปริณิหิตาิหนติฉันดหะระเะปาริสุธิอหะระนิปนอิมิสั่งอะัตทัซีมายังหัตถาั้งวิเหิตวานิสินนานังภิกขูนังอภาวะโตนติอุตุขานังนามะเอตัังอติกัตังเอตัังอวติหันตเวังอุตุอาติัง ปุตุนีทัพนาซาเสนเหมันตะกิมมะวัซานาังวัสนะเตยนุ่ยหันติยังกิมโหตุอิมัสมินจะอุตมหุยอัถฐาอุปสทถะอิมินาปะเขนะเอกอุปสโทสัมปัตโตจตารโหอุปสทถะอติกันตาตะโยอุปสัทาวัติทว่าอิติเอวังสัเบหิอายสมนเตหิอุตุขานังทาเรตับัง ภิกขุกันเนานานามิมัสมิงอุปโสธเกอุปโสทยะสนิปฏิตาภิกขเอกาติภิกขุนังกันเนานาิมัสมิงปนะอุปโสธเกเอกวิสติภิกขสนิปฏิตาหนติอิติสเบหิอายัสมันเตหิภิกขกันเนานาปิาเรตับบาภิกขุนีโมวาโดปนะอดาณตาสั่งธิตายะนิอิติตกะระโนคาธานังปุบกิจานังกตตา นิครโนกาธานังปุบะกิจญานังปกติญาปริเนธวิทัตตาเอวันตังนววิถังปุบะกิจังปริเนธวิตังโหตินิธวิเตจปุบะกิจเจสเจโซดิวโซจัตุดสีปันเนรสีสามกีณะมันย่อตระโาจุโปสโปนรสโยาวติกาจะิูกมปสังุโปสารหัจตาโวาตโตวาอติเรกาปกติตาปาราิคังอนาปนาสังเนวาอนุิตา เตจโคหัตถปาสังอวิจหิตวาเอกะซมายัางทวิตาเตสัญจาวิการและโผจนาดิวัเสนวัตถุสภากาปติโยเจนวิจยนติเตสัญจาหัตถปาเซหัตถปาสโตภิกขะระเนวเซนวัเจตโบโกติวัจญิยาปุกระโลเจนติเอวันตังอุปสัทธกามังอิเมหิจตุหิละคะนอยหิสังฆหิตังปตะกัลังนามโหสิกาตุงยุตรูปัง อุปสัทกรรมสัพตะกัลตังบิตวาอิดานิกริยามโนอุปโสโทสังเขนะอนุมาเนตัโปกรับิจานิสมาเปิวยัสนิสัตุสกศัก์เี่ยาจากญีข้างอุติจิตจงไมเชืนังตอมีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติสสะสุนโอตุเมพันเตสังโฆอจุปโสะโตปันเนรสโตยะดิสังขัสะปัตตะกัลังสังโฆอุปโสะังกะรยยาปติโมขังอุดิเศยะ กิงสังขสัพุบักขิตังปาริสุถิงอายะสัมมันโตอาโรเจธาปามิโมขังอุดิสิตามิตังสเปวัสนตาส g ทุกังสุนมามนัสีคารมะยะสัสิยาอาปฏิโสอวิกรยะอาสัญติยาอาปฏิยาตุนนัยวิตะบังตุนนัยภเวนะโคปนายะสัมมันเตปาริสุทธาติเริสามิยะธาโคปนาปเจกะปุตภัวิยากระนงโหติเอวเมวังเอวรูปายาปริสายะยาวะตติยังอนุสาวิตังโหติ โยปนะภิกุยาวะติยังอนุสาวรียะมานสระมโนสัตติงอาปติงนาวิกระยสัมปานมุสาวรติสัมปานมุสาวโดโคปนายสัมมันโตอันตรายิโกธมโอวุตโตภวตาตัตมาสระมานนะภิกุนาอาปเนนะวิสุทธาเปเคนสัตตีอาปติอาวิกาตบาอวิกตหิตาสุติตตริเมจตาโรปาราชิกาธมาอุเังอาจัันติ โยปนะภิกขุภิกขุนังติฆาซาชีวะสมาปโนสิกงอปัจจคายะดุปะรยังอนาวิกัตวามถุนังธมังปิเสวยะอันตรโสติรัตชาณักระตาญปิปาราจิโกโคติอัตังวาโซโยปนะภิกขุกามาวะรัญญาวะอดินังทยัตังคาตังอาิยยะญาทารูปย์อดีทาดาเนราชาโโจรังกเหตตวะในยงวบันไดยงวปะบาจยงวะโจโรสิบาโสิมุลโคลสิเทโนสิติทารูังภิกขุอดินังอดียะมโนอยมปิปาราจิโกโคติอัตังวาโ โยปนะผีขูสั่จิตจมนุษสวิกังจีวิตาวโรปยักสัทธระกังวัส์ปริเยสยยะมรณะวันนงวะังวันนะมรนอยจวัสมาดปยัปโผปุริสกิงตุยวิมนาปาปเกนะดุจจีวิเตนะมัตันเตจีวิตาเสโยติอิติจิตะมโนจิตสังโปอเนกะปริยาเยนะมรณะวงวังวัะมรอยวสมาปยอมปปราจิโกโหติอังวาโโยนะขนะจนังอุตริมนุธรรมังอตูปนากังอลมริยะยอนรัตังธม อติจวนามิอิติปัสสามิติตัตโตอปัเรณะสมะเยนะสมะนุกกาหียมานวะอามะนุกกาหียมานวะอาปโนวิสุทธะเปโขเอวังวเดยะอจนะเมวังอาวุโสวจังจวนามิอปัสังปัสสามิสุชังมุสาวิละปินติอัญญตระอธิมาณายามปิปาราิโโหติอตังวาโซอุิทาโคอามันโตจัตตาโปาราิกาธมา เยสั่งเพคุอัญญะตรังวาอัญญะตังวาอาปจิตวานละปติเพคุเฮสถิงสังวาสังยะท่าปุเรต่าปัชชาปาราชิโกโคติอัตังวาโตตถาจะสมันเตปุจ่ามิกจิตาปริสุทธาดุติยมปิปุจ่ามิกจิตาปริสุทธาตติยมปิปุจ่ามิกจิตปริสุทธาปริสุทธิ์ทาจะสมันโตตัสมาตุนสนเอวะเมตังทารยามิ อิเมโอปนายะสมันโตเตระสะสังขัดิเตสะธรรมะอุเตสังอาจัณติสันเจตานิกาสุกาวิตถุหงอัญยตรสุปินันตาสังขัดิเตโซโยปนาภิโกโอตินโนวิปริเนเตนะจิเตนะมาตุกะเมนะสติงกายจะสังสังตัมาปจุอยะหะตะกาหังวาเวนุยกาหังวาอัญโยตรัสวาอัญโยตรัสวาังกตปรามาสนังสังขัดิเตโ โยปนะพิโคโอติโนวิปริเนเตนะจิตเตนะมาตุกะมังดุทุนลาฮิวาจาฮิโอปาเยะยะธาตังยุวาญวติงเมตุนุปัสสนหิตาฮิตังขหาดิเตโตโยปนะพิโคโอติโนวิปริเนเตนะจิตเตนะมาตุกะมัสสะทันติกเกอัตกรรมะภริจาริยยะวะนงบาหิยะเอตระกังภากินิภริจาริยานังจามันิสังสิโลวันตังเกลยานตธรรมังพระมัจจริงเอเตนะธรมเนะภริจยิเมนปัสสนหเตนะสังขาิเตโ โยปนะภิกุสัจริตังตมะปจยอิิยาวปุริสมติงปุริสัตวอิิมติงจยัตเนวจารเนวอันตมโตตังกายปิังหดิเโทิกายะปนะภิกุนาุติงกรยะมานีนะอัศมิกลงอตุเดสังปมาณิกากาเรตบาตตริดังปะมานงติโตบาระตะวิรัติโยตุกะตะวิรัติยาิรยังสตันตระภิกขะิเนตบาเนายะเตหิภิกขุหิทุเดเตบังอนารมังตปริกมังะรเพเจภิกขุุมิงปริกมเนัย ภิกขุวอนาภิเนยวัตุเนายะปมาณองวอติกรมายสังขาริเสโมหกปะภิกขุนาวิหารังการยะมาเนนะสัตามกงอตุเดซังภิกขุภิเนตาาวัตุเนายะเตหิภิกขุหิวัตุงเดเซตบังอนาลำผังสปริกามังตารำเพเจภิกขุวัตุสมิงอปริกามเนมหัรกลงวิหารังการยะ ภิกขวอนัพพในยวัตถุเสนาญาสังขาริเโโยปณะภิกขภิกขุงรุทดโโอปปตโตมูลเกปาราิเธมเนุถังเยะอเปวะนามังอิมมรัริยจาวยันติตโตปเรนะมเยนะสมะนุกาหิยะมโนวาอสมนุาหิยโนวามลกัเจวะตังอธิรงโหติภิกข u เจโรสังปฏิทวติสังขาริเโซโยปณะภิกข u ภิกขุงรุทดโรโอปปตโตอัญญภาคิยัสสะธิรนกินจิเดสังเลสมตังอุปาายปาราิเ อะเปี้ยวันา้นางอิมัมฟ้าพรมคจริยาจาวยันติตโตเรยนะสมะเยนะสมะนุกายมานัวอามะนุกาหิยามานัวอันย่อป่ายันเวตังอธิกรณองโฮติโกจิเตโซเลสมัตโตอุปาิโนภิกุโรตั้งปฏิทวติตังขาิเโ โยปนะพิกุสมักสะสั่งขัดสเพิดายะปรักมิยเพิาสังวัตนิกังวาทิกกระนองสมาดายะปะไกยะติดห้อยะโสเิกุพิกุหีเอวมะสวะจนโยมาอาจะสมาสมัสะสังขัสเพดายะปรักมิเพินาสังวัตนิกังวทิกกระนองสมาดายะปะไกยะอัตวติ สเมตาจัสมาสังเนสมกโยหิสังโฆสมระมาโออวิวมานโเอกเดโซาสุวิหรตติเอวันจโปิกุิกุหิวัจมาโอตเทวปะกันนิยะโิกุิกุหิยาวะตติยัมนุาตโตะะปะิเตะกยายะยาวะตติยัเจมานุาติยะมาโตังปตะิะยอิเตังกุสลังโนเจปตะิตจสังขาดิเโ ตเวปนะิกูสพิกหตนุวัตะกาะกะวกเอกโวัเววโยวเตเอวังวะดยุงมาอาะสมันโตเอตังิกุงกิจวัจุธธมวดีเจโซิกูวินยวดีเจโซพิกูอัากเจโซพิกฉันดันจรุจินจาอโหะรติจานาติโนปะสติอักมเปตังมตติเติกูิกูหิเอวมสุวัณียามาอาะสมันโตเอวังอวัจุทานเจโซิกูธมวดีนเจโซิกูวินยวีมาอาะสมันตานปิสังขะเพโดรุิทะ สเมตาัสมัตานังสังเนมัโหิังโสมมาโอวิวมาโเอกุเดโภาสวิหรติติเอวันเตภิกขุภิกขุหิวัจมานาตทะกันในยุงเตภิกขุภิกขุหิยาวะตติยังธมนุปาิตะปตกยาวะตติยัเจธมนุปาติยะมานาตังปตจยุงอิเจตังกสลังโนเจปตจยุงสังขาิเโ ภปเนวะุปจัจจติโคโหติอุเดสปริยาปเนสุสิฆะปเสุภิกขุหิสหธรรมีกังวุจจามโนอตานังอวจนยังกรโรติมามังอาจัสมันโตกินจิอวจุถากยานองวาปาปังกังวาอะหัมปายัสมันเตนะกินจิวะฆะมิกยานองวาปาปังกังวาวิรมธายัสมันโตมมะัจนายาติโสภิกขุภิกขุหิเอวะมัสวจณียโยมาอาจัสมาอตานังอวจณียังอากาติวจณยะเมวะอาจัสมาอัตานังกรโรตุอาจัสมะปีภิกขุเดสุสหธรรมเมนะภิกขุปีอายั เอวังตั้งวัาหิทัสสะภะคะวะโตปริซาญาดีดังอัญญะมัญญะวัจเนนะอัญญะมัญญะวุฒหาปเนนะติเอวังจะโซภิกขุภิกขุหิวุจจามโนตัทธิวัปปะกันในยะโซภิกุภิกุหิยาวะตติยังสมานุปป c สสิตาบทัสสะปัตติเนสกญาะยาวะตติยังเจสมานุปปัสสิยะมโนตังปัตติเนสเจยะอิเตตังกุสลโนเจปติเนสยะสังขาเโ ภิกุปนิวาสย่อตรังกาเมงวันิกะเมงวะอุปนิสัยจวิหารติกุลดูสะโกปาปะสมัจาโอตัสสะโกปาปะกัสสมัจาราดิสันติเจวสุยัญติจ่ากุลานิจ่าเตนะดุทวานิดิสันติเจวสุยัญติจ่โสภิกุภิกุหีเอวามัสสวจณียโยอาจสมะโคกุลดูสะโกปาปะสมัจาโออาจสมัสโคปะกัสสมัจาราดิสันติเจวสุยัญติจ่กุลานิจ่าจสมัตาดุทวานิดิสันติเจวสุยัญติจ่ปะกมตสมมัมมะอาวาสะลันเตอิะวาเนาติเอวัน ภิกขหิวจมโนเตภิกขุเอวังวยะฉันตกามิโนจะภิกขรสสะ伽มิโนจะภิกขโมหมิโนจะภิกขพยะมิโนจะภิกขตาิสิกายอปติยาเอกจังปปบาเจนตีเอกนปปบาเจนตติโซภิกขุภิกขุหิเอวามัสสวัจณียโยมาอาจสมาเอวังอวจนะจภิกขฉันตกามิโนนจะภิกขรสสมิโนนจะภิกขโมหะมิโนนจะภิกขพยะามิโน อาจะสมาโคกุระดุสโคปาปะสมาจารโอาจะมโตโคปาปะกาสมาจาราติสันติเจวะุยันติจาุานิจายสมตาดุทานิติสันติเจวะุยันติจกตาสมอิมมาอาวาลันเตอิวาเนาติเอวันจะโภิกุภิกุหิวุจามโนตัเทวะปกรยะโซภิกุภิกุหิาวตติังมนุปตะโตะสะปปะนตจาวตติัเจธมานุปัตจมโนตังปะอนตจยะอิเจตังกุสลังโนเจปะินตจะสังิเสโ ทุริตาโคอาจัสมันโตเตระสะสังขาริเสสะธรรมานวัตถะมาปฏิกาจตาโรยาวัติยกาเยสังเพิกูอัญตรังวาอัญเตรังวาอาปจิตตวาญาติหังจวนังปติชาเดติตาวิติหังเตนะเพิกูนาอากามาปริวัตบังปริวุฒาปริวาเสนาเพิกูนาอุตริชาลัตังเพูมานาตายาปติปจิตบังจินเนมานโตเพกูยะทธสียาวีสติกะโนเพูสังโฆตถาโสเพูอภเพตโเอเกนปิเจอุโนวีสติกะโนเพิูสังโฆตังเพุอภิยะโสจะเพู นาีโตเตจยารอยงสมีจิตตถาจัสมันเตปุชามิขจิตาปริสุทธาดุติยมีปุามิขจิตาริสุทธาตติยมีปุชามิขจิตาปริสุทธาปริสุทธิ์าจัสมันโตตัสมารุนสเนีเอวเมตังธาไรยามิ อิเมโคปนายัตมันโตเวอนิตาธมาอุเังอากัันติโยปนาภิคุมตุกาเมนะสติงเอโเอกาจาระโคปติชันเดอาตเนอังกมะนิเยนิสจังกปยะตะเมนังสัตยบจสรู้ปัสิกาดิทวตินองธรรมานังอัญญะตรเวเดยยปาราจิเกณวาสังขาริเเตวาปจิตติเยวานิจังภิคุปติจานะมโนตนองธมานังอัญญะตกาเรตะโปาราิเกณวาสังขาริเตเตณวาปะจิตติเยณวาเยณวาสัตยจสรปิกาวดยเตโสภิุกาเรตะโบอาย ธัรมโมอนิยโต ในเวโปนปติ่ังอตนงโตินาังกมนิยังอัโคโหติมตุกมังดุทุนลาหิวจาหิโอภาติตุงโยปนัปเปุตรปอเมตุกเมนะสิงเอเอกาจระโนิจังกปยะตเมนังสัทิวัจจุปิกาิววินังธมานังอัญญตเนวดยสังขาริเเนวาปาจิตตเยนวานิจังเุปตินะมโนวินังธมานังอัญญตเนกาเรตโบสังขาริเเนวาปาจิตตเยนวาเนวาสัทิวัจจุปิกาวดยเโสคุกาเรตโบอายมป ธรมโมอนิตโตอุริตาโอาจสมนโตเวอนิยตาธมาตทจสมนเตปุามิกจิปริสุทธาดุติยมปปุามิกจิปริสุทธาตติยปปุชามิกจิปริสุทธาปริสุทธเถาจัสมนโตตสมะตุนมเอวเมตทารยามิอิเมโคปนาจสมนโตติงนิตกิยาปาจิติยาธมาอุเตง r e g t นิถวยทาจิวัตตมิงภิกุนาอุปหะตตมิงกัตถุในรัฐะปรมังติเรกจิวัังถาเรตบังตังอติการไม่แยกตนนิถวยยังปาจิตติยังนิถวยตาจิวัตตมิงภิกุนาอุปะตัตมิงกันเอกรัมปิเจภิกุติวะเรวิปัยะอัญญตระภิกุสมะตยานิี่ยังปาจิตติยังนิวาจิัตตมิงภิกุาอุปะตตมิงกนภิกุโปนิวะาริวัังอุปยะอากขมานนภิกุาปิกะเหตตังปิกะเหตตวคิปปะ รังนิกิปิตะบังอุณาปาริภูริยาสติยาปัจจัสสัะโตเชอุตริงนิกิปยาสติยาปิปัจจัสสัญนิสกิยังปาจิตติยัง โยปนะป p e นโยติกายะปิคุนิยาปุรณจิวังถวปยวัรจวะปยวะอากตาปยวันิตกิยัปาจิตติยัโยปนะปิคนโยติกายะปิคุนิยาหัตโตจิวังปฏิกรณายะอัญยตระปริวัตตกาณิตกิยัปาจิตติยัโยปนะปิคนโยตกังขปฏิวะขปฏานิวะจิวังวิญญาปยะอัญยตระสมยาณิตกิยัปาจิตติยัตัทธายัสมโยอาินะจิวโรวาโหติปิคุณะถอดจิวโรวาอายัตัทธสมโยตนเจนยตโกขะปฏิวะขปฏานิวะเบขู่หิจ พระปรม t ตเถนะภิกขุณาตโตจีวรังสัติตะบางตโตเจอุตริงสัติยะยะนิตะังปาจิตติยังภิกขุงปเนวะอุริสะอัญโยตะกัตสัก้าปฏิตะวะขะปตานิยาวาจิระเจตานางอุปกะตังโหติอิมินาจิระเจตาปเรนะจีวรังเจตาเปตวัท่านามังภิกขุงจีวเรนะอาชาเดสตมีติตัตระเจโซภิกขูปุเบอปวาริโตอุปสังกมิตัวจีวเรวิขปังอปัะยะทาทุวตงอาจมอิมนาจระเจตาปเรนะเอวรูปังวาเอวรูปังวาจีรังเจตาเปตวาช and um. กุ้งปนเอกวัตริสาอุภินังคัญยอตการนังขปตีนังวะขปตานีนงวปเจกจิวรเจตปนุปกตหนติอิเมหิมยังปเจกจิวรเจตาปเหิปเจกจิวราเจตาเปตวนนามังปิุงวเรหิอเดสมาติตระเจโซิปุเบวริโตปังมิตววเรวิปังอปจยะสาธุวตมังอจสมันโตอิเมหิปเจกวเจตปเนหิเอรูปังวัยวรูปังววรงเจตาเปตวชาเดธอุันตาเอกนาติกลยกมยะตังอุปาายะน ภิกขุนปณ o วัฒ r ์วิษรราชวัชชะภกโยวาปรมณ์นวาวกสัพติโกวาดูเตนะจิวระเจตาปนังปะฮิโนยะอิมินาจิวระเจตาปณีนะจิวระเจตาเปตุไวัณนามภิกขุนจิวะณีนะอาชาเดเฮติโซเจดูโตตังภิกขุัสังมิตเอวังวัยะอิรังโันเตอาสมันตังอุริตจวระเจตาปนังอาภะตังปติกันนาตุอาสมจวระเจตาปนันติ เตนะภิกข<S 々>ุนาโดูโตเอวะมัตวจียโยนั่งโมยังอาวุโสีวเจตปนังปฏิกนามะีวรันจโคมยังปฏิกรนามะกเลนะกัปิยันติโสเจดูโตตังภิกขุเอวังวายะอธิปนาสมะโตโกจิวยวัจกาโรติีวรติเกะภิกเวภิกขุนาวยวัจกรโรนิติสิตัโอารามิโควาอุปาตโกวาเอโโคอาุโสภิกขุนังวยวัจการโรติโสเจดูโตตังวิยวัจการังัญญเปตวตังภิกขุังกมิตวเอวังยะ ยัโคผันเตอรยตสมะวยวัจกรันิติสิทั้โตโซมายาอุปสังกาตุอรยตสมะกาเลนจิวเรนตัอชเชเดสติจีวรติเกณภิกขเวภิกขนวยวัจกรปสมิตวาวิติขตุงโจเดตโปาเรตโปอทเมอาวุโสจวเรนาติวิติขตุงโจระยะมาโยะมาโตจิรอภินิพายิจเจตกสลโนเจอภินิพายจตุตุงปจกตุงกตุปรมตนนเตนอุิตทตบังจตุตุงปจกตุงกตุปรมตุน อรังอภินิพายะอิเจตังกุศลังโนเจอภินิพาย์เดตโตเจอุตริงวายมะมาโนตังจีวรังอภินิพายะนิตะคิยังปะจิตติยังโนเจอภินิพายะยะตตะจีวระเจตาปนังอาภาตังตทัสมังวะเกณฑบังดูโตวาปะเหตตโบยังโคตุ้งเฮอาจักสมโติกุงอุริจวระเจตาปนังปหินทะนตันตะิกุโรคินจอถังอรูปโติยุจันตาัสมโตสังมาโวสังวินัสติอายังตามีจจวระวะโกปทม โยปะนับภิกขุโกติยมิตรตังทั้ตัตังการาปิยานิเตกิยังปาจิติยังโยปะภิกขุสุทธะกัลลกนังเอลกกะโลมานังทั้ตัตังการาปิยานิเตกิยังปาจิติยังรวังปนัภิกุนัทั้ตัตังการยะมานนัตเวปะเกตุทักกัลลกนังเอลกกะโลมานังตัติยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังอนาราเจภิกุตเวปะเกตุทักกัลลกนังเอลกกะโลมานังตัติยังโอดาตานังจตุทังโกจริยานังระวังทั้ตัตังการาปิยานิเตก นเจชนนงวัฏสงังตังทันตังวิสัจเจตตวาวาวิสัจเจตตวาอัญยงนวงทันตังกราปยยอัญจัตระภิกุสมะทยานิสติิจังปาจิตติกันิสีระณทันตตมปนาภิกุนาการยมาเนนะปุรานะทันตาตาตามนตาตุเกตวิรัติอดาตาุปนากรนอยอนาเจภิกุปุราทันตาตาตามนตาตุเกตวิรัติิงนวังนิรณทันตังกราปยยติังปาจิตติ ปิคุโอปนเดวะฐานะมั่ค่าปติปนัสะเอลกัโรมานีอุปัจจะยุงอาการขมาเนนะปิคุณาปติเกษตบาลีปติเครเหตตวติโยชนะปรัมังสาท่าฮารีตบาลีสสันเตหะรเคตโตเจอุตริงหะรยาสันเตปีหะรเคนิตักิยังปาจิตติยังโยปนัปิควรโยติกายะปิคุณิยายลกัโรมานีถวะปิยวราชวะปิยววิเชตวะปิยวานิตักิยังปาจิตติยังโยปนุญาตารูปรชตังุนยวากนาปยวะอุปนิิตตังาติ ปาจิตติยังโยปะ n าปิคูณานะปการกังกายะวิกายังสมาปจายานิเตกิยังปาจิตติยังโกติยบโกดุติโย ดัศหะปรมังอติเรกปัโตถาเรตตโบตังอติการมายะโตนิตะกิยังปาจิตติยังโยปนะภิกขูอุณปัญจบันเถนะปเตนะอัญยงระวังปัตตังเจตาปิยะนิตะกิยังปาจิตติยังเตนะภิกขุลาโซปัตโตภิกขุปริซาญาณิตะกิตาโบโยจตัสซาภิกขุปริซาญาปตะปริยันโตโซจตัสซาภิกุโลปดาตาโบอายันเตภิกขุปัตโตยาวะเภดานายาถาเรตตโบติอายังอายังตักทัมาจิญาณิโคปณะตานิกิลานังภิกขูนังปติซาญาณิญาณิเภสัจญาณิทยัที่ดังสปินวะนีตังเตลังมท ตัตหปรมังตนิธิการะกังปริบุญจิตบานิตังอติการมัโตนิเติยังปาจิตติยังมาโซเซโซกิมหานันติภิกขุนาวสิกัสสะิกาจิวังปริเยสิตะบังอัมาโเโกิมานันติกตวานิวาเตังโอเรเจมาโเโกิมานันติวิกสะติกาิวังปริเยสยะโอเรธมาโเโกิมานันติกตวานิวาเยะนิติยังปาจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุสทมังจวังตวากุปิโตอนัตมโนอชินดวาชินดาิวานิติยังปาจิตติยังโยปนา ังวิญญาเปตตวัตันตวาเจหิจิวรังวายยาปยาณิตกิจังปาจิติยัง ภิกุงปเดวะอุริตะอัญโ a ตะโกขะปฏิวะขะปตานีวะตันตวะเยหิิวรังวายาเปยะตัตรเจโซภิกุปเบะอปวาริโตตันตวะเยหัวตั้งกมิตัวจิวรเเรฟิกับปังอปัดเยยะอิดังขอาภุโสจิวรังมังอุริตะวียติอายะตันจักกะโรธาวิธาตันจะอภิตันจะสุวิตัจะสุปวายิตัจะสุเลขตัจะสุวิตัตัจะกะโราอาเปวะนามะมยัปอาสมันตานังกิจิมะตังอนุปรัตยมาตเอวันจโสภิกุวัตวกิจิมะตังอนุปรัต ต้หานะกะตังกติกเตมาติปุณณะมังผีคุโนปเดวะเจกจิวรังอุปจุยยะเจกังมัญญะมานนัปผีคุณาปฏิกเกตรบังปฏิกเพศตวายวัจิวรัการะตมะยังนิคีปิตังตะโตเจอุตริงนิคีปิยานิตะขี้งปาจิตติยังอุปวัตสังโคปณะกติกาปุณณะมังยานิโคปณะตานิอรัญญะกานิเซนาตนาณิสังกัตมัตานิสัปปะอิปายานิตัทารูเบสุผีคุเซนาเตสวิหรันโตอากังขมาโนตินงจวรานังอัญญะตรังจวรังอัตระเรนิ ปวั้ายะชาลับตาปรมาณเตนะภิกุนาเตนะิวเรนะวิปวสตะบังตะโตเจอุตริงวิปวยะอตระภิกุสมติานิเตยังปาจิตติยังโยปนะภิกุจังังขกงลาผังปริเนตังอัตโนปรินยะนิเตยังปาจิตติยังปัตตะวโกตติโยุวิะโคอาจะสมันตัติงสันนิเตยาปาจิตติยาธมมาตัทธาจะสมันเตปุชามิจิทปริสุทธาดุสิยมปิปุชามิขจิทาปริสุทธาตติยมปิปุชามิจิทาปริสุทธา ปริสุทธิเถถาญัสมันโตตัตสมาตุนมีเอวะเมตังธาริยามิ ที่เมโภพนาจัสมันโตนเวนวุตติปาจิตติยาธรรมาอุเตสังอาภัสชันตสัมปฌานมุสาวาเดปาจิตติยังโอมาสวาเดปาจิตติยังภิกขุเปรุณเยปาจิตติยังโยปนะภิกขุอนุปธรรมปนังปาระโสถามังวเชยะปาจิตติยังโยปนะภิกขุอนุปธรรมปเนนะอุตริตติรัตังตะหัสยังกับปยะปาจิตติยังโยปนะภิกขุมาตุกเมนะตะหสยังกัปยะปาจิตติยังโยปนะภิกขุมาตุกมตอุตริปัญวาจ่าหิมังเสยะอัญญตวิญนาปุริสวิกเหนะปาจิตติยังโย ปนัสสอุตริมนุสสะธมังอรยะูสะทมิงปาจิตติยังโยปนัสผิคุผิคุสะดุทุลังอาปะติงอรุปธรรมปนัสะอารมยะอตระิุสมติยาปาจิตติยังโยปนุปขนยวขนยวปาจิตติยังมุสาวโกปะะโม อตาปาตตปาจิตติยังอัญญวระเกวิเสเปาจิตติยังอุาปนเกิยนเกปารจิตติยังโยปนภิกุังขี่ังมันยังวีทงวีสิงวกดช่างวะโฉกาเนริตตววันราเปตตวังปะมันตเวะอุทรยนะอุทรปยอนาปุจช่างวะเกชยญปาจิตติยังโยปนภิกุังขี่เกวิหเรยังันริตตววันราเปตตวังปะมันตเนวะอุทรยนะอุทรปยอนาปุจช่างวะ เสยังกับปยจะสทัมาโวิสตีโสปะคมิสตติเอตเวัติยังริวานั้นยังปาจิตยังโยปนะปิคูปิคุงคูปิโตนะสัมโสัีกาวิหารานิเกยวานิกถาปวปาจิตยังโยปนะิูสั้นีเกวิหะเอุปริเวหะตโกติยาอาหารจปาดังมันจังวะปีท้องวะอภิณีตยวอภิปัจจยิวปาจิตยังมหระกัมปนะินาวิหะรังการยะมาเนนัยาวรวารโกสะอระปนายะอะโลกสันิปริกมายะวิตติา ตโตเจอุตร <ess> ิงอภริเตปิทตโตอธิถให้ยปาจิตติยังโยปนภิกุจานสปานกังุรกัตินองวามติกังวะทิ้นใจวะทิ้นใจปวปาจิตติยัภูตกรรมมัโกลุติโยโยปนภิกขะทัมโตภิกขุนิโยโอวะยปาจิตติยังสมโตปิเจภิกขทังกเต สุริเยภิกขุนิโยโอวริยะปาจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุนปัสยังปสังมิตวภิกขุนิโยโอวรยะอตระสมยาปาจิตติยังตัทยังสมโยิานาโหสิภิกขุนียะยังตะสมโยโยปนภิกขุเอวังวะรยะอมิสะเหตุภิกขุภิกขุนิโยโอวรันติติปาจิตติยังโยปนภิกุญาติกาญาภิกุนิยาจวังรดัฎิยะอยตระปาริวัตกาปาจิตติยังโยปนภิกุญติกาญาภิกุนิยาจิวังสิปิิะิปาปิิว โตมันตรัมปีอัญญทรถสมิญปาจิตติยังตัฏฐายังสมิโยสัททะมะนีโยโหติมโกสังัสัมโตสัพพะนิโยอายังัสมิโย โยปนภเพคคูเพคคูนิยาสถิงตั้งวิสาญาเเอกังนาวังอภิรูให้ยะอุทะกาไมนิงวาเถุกาไมนิงวาอัญยัตราชิรยันตระน้อยยะปาจิตติยังโยปนะเพคคูจวานัง u พ i คูนีปริปาจิตังปิฎาปาตังปุญญายะอัญยัตระปุเบกิหิตสมารำบาปาจิตติยังโย o นะเพคคูเพคคนิยาสถิังเอกโอเอกายะระโคนิสัจังกับยะปาจิตติยังโอวะรัโกตติโย กิลานะเิกุนาเอโอัฟทธาปิโนผุนชีตโบตโตเจอุตริงผุนชยาปาจิตติยังกเน i ะโผเจเนอัญญัตราชธรรมญาปาจิตติยังตัทธายังธรรมโยกิลานะธรรมโยจิระดานะธรรมโยจิระาระธรรมโยอัฏฐานะกัมณะธรรมโยนาวาภิรูหณะธรรมโยมหะธรรโยสัมัะโยอะยังัโยปรปโเนอัญัตรมปจิตติยังตัายังมโยกิานะโยจิระานะโยจิราระโยอะยังัโย เคุงปนเอวัคุลังอุปปัตตังปูเวิวามันเทหิวหุมปวรยะอกังขมาเนนะเพคนาวิติปัตตูรปิกเหตตบาตโตเอุตริงปิกันนยะปาจิตติยังวิติปัตตพูเรปิกเหตตวาตโตนีริตวาเหิสถิถตั้งวิปชิตตบังอัต่ามีจิโยปนะพคุผุตวีปวริโตนะตริตังาานิยังวาโผโนิยังวาฆาดยวผุวาปาจิตติยังโยปนะพคุเพุงตวิงปวาริตังนะตริเนะาานิเยนะวาโนิ พันดาเพคคูฆาดาวะผุญเจวะติจวานังอา ธ, าธานาเปคโคผุดสมิงปาจิตติยังโยปะนะเพคคูพิกาเลขาดานิยังวะโผฉนิยังวะาดใดยีวาผุญใจยวาปาจิตติยังโยปะนะเพูส น, นธิการกังฆาดานิยังวะโผฉนิยังวะาดใดยีวาผุญใจยีวาปาจิตติยัง ยานิโคปนาตานิปนิยตาโปหินะนิสยะที่รังสปินวานีตังเตลังมทูปพาณุตังมัวมังทั้งขีรังะิโยปนิกูเอวารูปานิปนิาโหนอกิาโออัตโนอัายวิญาเปตตวาปุญชยปาจิตติยังโยปนิกูอดนังมุขัดตวารังอาหรังอาหรยะอัญัะุระกดันตโปนาปาจิตติยังโปหนะโกจตุทโโยปนิกูเจกัตตวาปริปาจกัตตวปริาชิกาวะสาาขาันนิยังวะยปจิชนะนิยังวะไดเดยะปาจ ปิดายปวิเมาติตาตดาเปตตวาดาเปตตวาอุโยชยัจเจ้าวุโนเมตยาสถิงกทวาิสัจจาวาาสุโคติเอกกเมกัทวาิสัจจาวาาสุโคติติเอตเดวะปัจจะยังกฤตวานนยังปาจิตติยังโยปนะิุสะโชนกุเลอนุัจจนิสัจังกัปยาปาจิตติยังโยปนะิุมาตุเมนะสถิงระโปติชนอตเนนิัจังกัปยาปาจิตติยังโยปนะิุมาตุ伽เมนะสถิงเอกโอเอการะโนิสัจังกับปยาปาจิตติยัง กอนาบุชาปุเรยัดตังวาปัชชาัดตังวากุเรศุจาริตังอปัจจะยะอัญจตรธรรมิยาปาจิตติยังตัฏฐาย่งธรรมโยจิระดานธรรมโยจิรการธรรมโยอย่งตัฏฐธรรมโยอคิลานนะภิกขุนาจตุมาตปาจจยะปวาระน้อยตตบอัญจตรบุนะปวาระอยะอัญจตรานิจจปวาระอยะตโตเจอุตริงิยยะปาจิตติยัง โยปนะปิุุตังเนังรัสนายกเยญรตทารูปปจจยาปาจิตติยสิยาเจตตทุโนโกจิเวปโยเนังกมนารตติรตังเตนุนาเนายวสีตะบังตะโตเจอุตริงวยปาจิตติยติรตเจิุเนายวสโนอุโยทิวปลักัวเนปิยหวอนกัตนวกเยปาจิตติยอเจกัวโกปจโม สุราเมรยาาเนปาจิตติยังอังคุลิปโตระเปาจิตติยังอุระเกหัสสเมปาจิตติยังอนาริเยปาจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุิงาปยปาจิตติยังโยปนภิกขาโนวิวนาโิงตมาดใยวะมาหปิวะอัญญตรรูปปัจจยาปาจิตติยังโยปนภิกขุโอเรธมังนหยยะอัญญตรามยาปาจิตติยังตทายังตมโยดิจโทมาโตเทโกิมานันติวันตปมมาโตอิจเตอัฏฐะตยมสอุณหตัมโยป โยวาต ต, ตาวุทหิตธมโยอายังตถาธรรมโย นบวมปนักภิกุนาจิวระลาเภตินองดุปนัระนนงอัญญตรังดุปนัระนนงอาดาตบังลีลังวากะละมังวากะ p ะสะมังวะอนราเจภิกุตินองดุปนัระนนงอัญญตรังดุปนัระนนองระวจิวังปริผลเฉยยะปาจิตติยังโยปนกภิกขุภิกุสวาภิกุนิยาวาติกรมานิจวาสัมเนรสวาสัมเนริยาวาสมังจิวังวิกลเปตวาปจุถารังปริผลเฉยปาจิตติยังโยปนภิกุภิกุสะปตังวะจิวังวานิสีรนังวาสุจิขังวากยบันถานังวาป ยังธุราปานบะโกจัตโต โยปนภิกขุสัจจิปานงชีพิตาโวโรปยปาจิตติยังโยปนภิกขุจานังสัปปานะกังอุดะกังปริผลเฉยยปจิตติยังโยนภิกขุจานังยธาธรรมังีหาตาทิกรงปุณกามายาอุโกตัยปาจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุสัจจานังุทพลังอาปติงปติชาเดยปาจิตติยังโยปนภิกขุจานังอุณวีสติวัังปุกลังอุปสัมปายะโสจะปุกัโลอนุปสัมปโนเตจภิกขุร์ย่ออิดังตสมิงปจิตติยังโยนภิกขุจานังทายสเทนะสต จิตติยังโยปนะปิคูม e ตุกะเมนะสติมตั้งวิถายะเอกฐานะมะเกืงปติปัจจะยะอันตมัสโธกามนตรัมปีปาจิตติยังโยปนะิคูเอวังวเดยะตา่าหั่งปะกวาตาธรรมเดสิตังอาจารณามิยะธาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาปะกวาตาเตปติเซวะตนอลังอันตรายญาาติโสภิคุภิคุหิเอวัมัสโวจนะนิโยมาอาจสมะเอวังอวัจมาผักกวาณตังอปาจิกินะหิสัทุปะกวาตอะะนังนะหิะวาเอวังวยะอเนกปริาเนะอวุโอันตรายิกาธมาวุตตาปะวตา เอวันจะโซเบกุเบกุหิวจัมมานตัเทวปกันนยะโซเบกุเบกุหิยาวตติยังธมนุปบาทิตบุตัสสะปภินิสกญาจะยาวะสติยันเจธมนุปบาทิยะมานตังปกนิตเยะอิเตังกุสลโนเจปกนิตเยะปาจิตติยัง โยปาภิุจาังธวานาภิกขนอัตานุธมเนตอปติสเวนสติงสจยวังวจยวะสหาวยังกยปาจิตติยสมนตเดโเจเอวังเยต่าหังวตาธมเดสีตอาจานามิยาเยเมอนตรายิกาธมาวุตตาผวตาเตปิเโตนลังอนตรายติโสสมตดโภิกขุหิเอวมวจนโยมาอาวุโสสมนตดเอวังอวจมาวันตอภิจิกินหิสุวตัักควาังนกายเอย อันตรายิกาธรรมาวุตตาภักวตาลันจพนะเตปิเศปโตนตรยายาติเอวันจะโซตมโนเดโซภิกขุหิวัมาโนตเทวปกนยะโซตมโนเดโซภิกขุหิเอวมสาวัจนีโยอาเจตเกเตอวุโตมโนตดนเจวัโสภวาสธาปิตตโบจพิจนยตมโนเสลันติภิกขุหิตถิโนรตติระตังสหัสยังสัปิเตนติจรปิเรวินัสาติ โยปนะปิกุจารังตะท่านาสิตังสันโนเตสังอุปลาปิยะวาอุปัชฌาปิยะวาสัมปุญญัยิยะตาวาเตยังกับปยญญาปราชิตยังสัปปานวโกสัตตะโม โยปนะภิกขุภิกขุหิสหธรรมกังวะมโนเอวังวเยะนาตาวะังอาวุโสเอตติงิาปเรติคิดทามิยวะนันยงภิกขุงญญัตังวิยรังปริพุทธะมีติปาจิตติยังสิมาเนนะภิกขเวภิกขุาอัญญะตะบงปริพุทธิตะบังปริปันิตะบังอยังตะทัสมีิโยปนะภิกขุปาติโมยุิสมาเเอวังวยะทิมปนิเมหิหุานุขุะเกหิิาปเหิอุิวิหิยวะเดวะกุกุจายะวิเายะวิเลายะตังว เอวังวเดยะอิานโกอหังอาจนามิอยปิกิระธโมสุตากะโตสุตตะปริยาปโนอวัธมังอุเังอกะติติตัเจิุงันเจิุนยุงนิินปุบังอิมนาิคุนาวิติะตุงปาติโมตมานโกปนวโดภิโยตินัจจะสะิุโนอนะเกะมุตติอัยันจัตถะอาปติงอปโนตัจาธโมกาเรตโบอุตรินจัตะโมโอะโรเปตโตัสเตอวสลาภตัสเตดังยังตวังปางติโมเขุิสมานยั แต่ทำไมมัวแตเกปาจิติยัง โยปนะภิกขุภิกขุสะคุปโตนะตะมโนปหารังระยะปจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุสะคุปโตนตมโนตละสติกังโอคิระยะปจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุอมูรเกนตังขาดิเตเตนะอนุถังเยปจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุสัมจิตจาุกุจังอุปดาห้ยะอิติตมูดตัมปิอภาสุภวิสติติเอตเตวะปัจยังกริฏตวะอนันยังปจิตติยังโยปนภิกขุภิกขุนางผันนัจวาตานังกระหัดตานังวิบดาปนานังอุปสุติงติดคอยยะยังอิ โยปนภิกขุธรรมิกานังคำมานังเช่นังรตตวประเทศขีญาณธรรมังอปัจจยปาจิตติยังโยปนภิกขุทังเขวิธชกาเยวตมานาญาชะดังรัตตวอุทฆาญาสนาปกรรมยปาจิตติยังโยปนภิกขุสมะเกณะทังเขนจีวรังรัตตวประเทศขีญาธมังอปัจเยยะยะาัุตังภิกขุังขีกงลาผังปริโนเมนติติปาจิตติยังโยปนะภิกขุนังขีกงลาผังปรินตังปุกละตปริโนมยปาจิตติยังสหธรรมิกะวะโกัตถโมโยปนภิกขุรัญโขติยะา ตตรถนัเกปุเบอปติทั้งบิโตนัีลังอธิกามิจฉปาจิตยังโยปนะภิกุรัตนังวารัตนธมังวาอัญญตระอัจฉรามาวาอัจฉาวัถาวกัชนายวากัญชาปิยวาปาจิตยังรัตนังวาปนะภิกุนรัตนธรรมังวาอัจฉรามวาอัจฉาวัฏเทวาเกิดตัววากัญชาเกิดตวานิขิปิตบังยัตสภวิสติโสภิสติติอาังตถามีิ โยปนะเพขุสันตังเพขุงอนาปุชาวิกาเลกาบังปวิเสยานยัตราชทถรูปะอาจายิกากรนียปาจิตติยังโยปนะเพขุอัทมยังวารันตัมยังวาวิสัณเนมยังวะสุจิขังการะปยาเพธนังกาจิตติยังนวมปนะเพขุนามังยังวะปีทั้งวะการยะมาเนนะอัังคุลปกเรตบังกตังกุเลนะัตรทมายะอตนิยตังอติกามตเนังาจิตติยัง โยปนะภิกุมันจังวะปีทังวัตุโลนะถังการาปยาอุดดานะกังปาจิตติยังนิสีดะนำปนะภิกุนาการยะมาเนนะปมานิกังกาเรตบังตาตริดังปะมานงดีคาโะระเววิรัติโยสุกตะวิรัติญาติหรือยังดิยถังระทาวิรัติตังอติกาม่จะตเชิดนักังปาจิตติยังกันดูปตะใชาดิงปนะภิกุนากรยะมาเนนะปมาิกากเรตบตตริดังปะมานงดโจัตตโตวิรัติโยสุกตะวิรัติาติรอยังเววิรัติโยตังอติกา่จติน ตตรีดังปะมานองดีคาโทษชวิรัติโยสุกตะวิรัติยาติริยังอัตตายาตังอติการม่จะโจเชิดด้านกลางปาจิตติยังโยปนะปิคุสุกตะจิวะปะมานองจิวังการะปิยะอติเรกังวะเชิดด้กลงปาจิตติยังตตรีดังสุกตะตาตาสุกตะจิวะปะมานองดีคาโทนววิรัติโยสุกตะวิรัติยาติริยังชาวิรัติโยอีดังสุกตะตาสุกตะจิวะปะมานองรัตนวโกนะวะโม วุติพาโคอาจัสมันโตเวนวุติพาจิติยาธรรมาตทาจัสมันเตปุช่ามิขจิทัปปริสุทธาดุติยมปิปุช่ามิกจิทัปปริสุทธาตติยมปิปุช่ามิขจิทัปปริสุทธาปริสุทธเถทาจัสมัโตตสมาตุนสี เอวะเมตังธารยามิอิเมโคปนาจะสมันโตจตารปาติเดสนิยาธรรมาอุเตังอาักันติโยปนภิควนยติกายภิคุณิยานัรคารังปวิทอยหัสโตฆาดานิยังวาปจนิยังวาสถาิเกตวาาไดยวาผุใจยวาปฏิเดเทตบังเตนะภิคุณยารยนงอาโซธมังอาปจิงอาปายังปาติเดตนิยังตังปฏิเดเสมีติภิกขปนวะกุเลสุนิมันติตาผุนจันติตตระเจภิกุิยวาธมานรูปาวิตาโหติอิทาสูปังเดทาอิทาอุดังเดทา เตหิภิกขุหิสะภิกุณียาปัสเตะาปักาตวาปากิณ a ยวาภิกขุปุญจันตีติเอกสปิเจภิกุโนนปติบาสยะตังภิกุณปสเดตุงปักาตวกิณวภิกขุปุญจันตีติ ปิติเดซีตะบางเตหีภิกขุหิกาไรยังอวุโสธรรมังอปจิมมาสัพปายังปางเตหดชานิยังตังปิเดมติาิโคปะตานิเตขะธมานิกุลานิโยปณะภิกขุตทรูุเตขะธมะเตตุกุเลตุปเปะอนิมันติตวกิาโานยังวาจนิยังวาสหัตธาปิเขตวาขาดิวะปุญญิยวะปิิเดซีตะบางเตหีภิกุหิกาไรยังอวุโสธมังอปิะสัพยังปางเดชานิยังตังปิิเดซมติาิโคปะตานิอรักาิเตะานิั นภิกุตธารเปตุเสนเตตุวิหารันโตปุเปอปตตังตังฆาดานิจังวาผชนะจังวาาราเมธาธาปฏิเขตตวายิลาโอฆาไดยวาปุนใจยวาปฏิเดเสตบงเตนัภิกุนารยร่งอาวุโสธรมบังอปจิงาตปายังปางเตนิจังตังปฏิเดเสมีติอุดิาโคอาจะสมันโตจัตตารโอสางเตนิยธรรมมาตัทาจัสมันเตปุชามิกจิทัปริสุทธาดุติยามปิปุชามิกจิทัปปริสุทธาตัิยามปีปุชามิกจิทัปริสุทธา ปริสุทธาตยสมันโตตัสมาตุนสีเอวะเมตังทารยามิ อิเมโคปนาญาสัมมตเซกิยาธรรมาอุเดตังอาจัตฉันติปริมันดรังนิวาสิตามิติสิกากราโนยยาปริมันดรังปารุปิตามิติสิกากราโนยยาสุปสิชนนตราคเรกามิตามิติสิกากราโนยยาสุปสิชนนตราคเรนิสิติามิติสิกากราโนยยาสุสังภูตตราคเรกามิตามิติสิกากราโนยยาสุสังภูตตราคเรนิสิติามิติสิกากราโนยยาโอคิตาจักูอันตราคเรกามิตามิติสิกากราโนยยาโอคิตาจักูอันตราคเรนิสิติามิติสิกากรา โนขีตกาญจัน t รคเรกามิตามิติสิกขกละโนียโนขีตกาญันทรคเรนิสิติตามิติสิกขกละโนียโนชกขกาญันทรคเรกามิตามิติสิกขกละโยโอุดชกขกาญันทรคเรนิสิติตามิติสิกขกละโนีอปตโดนทรคเรกามิตามิติสิกขกละโนีอปตโดนทรคเรนิสิติตามิติสิกขกละโนีนกายปจัลลกังอันตรคเรกามิตามิติสิกขกละโนีนกายปจัลลกังทรคเรนิสิติตามิติสิกขกละโนี นบะหูปจาระก e างอันตรคารกามิตาเตติสิการะนยยานบะหูปจาระกลางตรคารเณนิติตาเตติสิการะนยยานสีสะปจารกลงอนตรคารกามิตาเตติสิการะนยยานสีสะปะกลาตรคารเณนิติตาเตติสิการะนยยานคำปะกตนตรคารกามิตาเตติสิการะนยยานคำปะกตนตรคารเณนิติตาเตติสิการะนยยานโอคุณหอตนตรคารกามิตาเตติสิการะนยยานโอคุณหอยตนตรริามิ มิติฆะกระนยยานประหิกายัญตรคเรนิสิติสามิติฆะกระนยยาทบีสติสรุปปาตักัดยังป็นดาตังปติขเหตตามิติฆะกระนยยาปตตะตนยีป็นดาตังปติขเหตตามิติฆะกระนยยา สัมมาทปะการปิดาปารังปติก็เหตุท่มีติสิก้ากระโนยยาสัมมาติสิกังปิดาปารังปติก็เหตุท่มีติสิก้ากระโนยยาสักัดจังปิดาปารังขุนจิตามีติสิก้ากระโนยยาปัตตสัตยีปิดาปารังขุนจิตามีติสิก้ากระโนยยาสปะดานังปิดาปารังขุนจิตามีติสิก้ากระโนยยาสัมมาทปะการปิดาปารังขุนจิตามีติสิก้ากระโนยยานาทูปปโตอมาริตตวะปิปาังขุนจิตมีติิระยยานปังวาปยัญะนงวาโอเนน ด้านนงวายกิลาโออัตโนอัทายวิญญาเปตว่าผุจิตามีติทิฆะกระนยยานุทานสัญญีปเรษังปตัโอโลเกตตามีติทิฆะกระนุยยานติมหันตักวรักฤตตามีติทิฆะกระนยยาปริมณตังังอโลปักฤตตามีติทิฆะกระนยยานาหภัยกบเลมุขัวารังวิวริสตามีติทิฆะกระนยยานาุญจมาโนสังหทังมุเขปะคปิตามีติทิฆะกระนยยานตกเลนมุเปยาิสตามีติ นะกังผุจ <advisory> ิตามิติทิฆะกระโยยาเหน่าวะกั i วกัผุจิตามิติทิฆะกะระโนยยานาตถานิถูนกังผุจิตามิติทิฆะกะระโนยยานาติตถาวะกัผุจิตามิติทิฆะกระโนยยานาจิวหานิชาระกัผุจิตามิติทิฆะกระโยยานาจัปปุจัปปุกะรกัผุจิตามิติทิฆะกระโยยานสุรสุรุกะรกัผุจิตามิติทิฆะกระโยยานาหัตถานิเลหกังผุญจิตามิติทิฆะกะระโนยยานาปัตตนิเล นาสสมมิเตนะหัตเธนะปานิยะธาละกังปติขเหต้ามีสิติฆะกระโนยญานาสัสิทธะกังปตถาโผนังอันตรคเรเฉเดต้ามีสิติฆะกระโนยญาสมติงสัพโโหชนะปติสั่งยุตตา นาชตาปานุวิาอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานาดอนดปานุวิาอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานตาทปานุวิาอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานาวุฒาปานุวิาอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานปารุการุนหลัตตะอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานอุปะนารุนหลัตตะอากลานัตตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกุระนุยยานาญาณเก e ้อตตะอลานัตตะ นาทศยนักเกะตตะกิลานะตะธรมังเดติตามิติทิฆะกระนุยยานาปัลติคายะนิตินะตะกิลานะตะธรมังเดติตามิติทิฆะกระนุยยานาเวทหิตัสีตตะกิลานะตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกระนุยยานาโอคุณหิตัสีตตะกิลานะตะธรรมังเดติตามิติทิฆะกระนุยยานาฉะมายังนิติฤตวะอาสนเณนิตินะตะกิลานตะธมังเดติตมิติทิฆะกระนุยยานีเจอาสนเนิติตวอุจเจอาสนเณนิตินะตะกิลานตะธมังเดติตมิติิะกระนุยยา นาทวิตโตนิสินนาตะอจิลานาตะธรรมเดติตามิติทิฆะกะระนุยยานาปัจจโตกัจฉันโตปุระโตกัจฉันตตะอจิลานาตะธรรมเดติตามิติทิฆะกะระนุยยานาอุปเทนะกัจฉันโตอุปเทนะกัจฉันตตะอจิลานาตะธรรมเดติตามิติทิฆะกะระนุยยาสุล a สสัตถมเดสนาปติสังยุตตา นาทวิตโะกิลาโออุจารังวาปัสสะบังวากริษะมีติสิการะโนยยานาฮิเตะกิลาโออุจารังวาปัสสะบังวาเคลองวากริษามีติสิการะนยยานาอุดะเกกิลาโออุจารังวาปัสสะบังวาเคลองวากริษะมีติสิการะโนยยาตโยปกินเนก迦 ุิทวโคอาจมันโตเทกิยาธัมมาตัาจัสมันเตปุชามิขจิทาปริสุทธาดุติยมปิปุชามิขจิทปริสุทธาตติยมปิปุชามิจิทปริสุทธาปริสุทเถทายัสมันโตตัสมาตุนนิเอวะเมตังทารยามิ อิเมโคปนาญตมนโตสตาทิครนสมธาธรมาอุเดตังอาเกติอุปนุปปนาณังอิรนนังสมทาปัสมาญาตมุขาวินโยดาตโบสติกวินโยดาตโบอมุนขลวินโยดาตโบปติญญาตกระนเยุยิกาตตปปิยะิกาติเนวัทรโกติวิทโคอาญาตมนโตสตาทิครนสมทธาธรมาตตาญาตมนเตปุจฉามิกจิทบปริสุทธาดุติยมปิปุจฉามิกจิทปริสุทธาตติยมปิปุจฉามิกจิทปริสุทธา ปริสุทธิทตาจะสมันโตตัสมารตุณณีเอวเมตังธารยามิอุดิตพงคอาจะสมันโตนิดานังอุดิตทัดจตารอปาราชิกาธรมมาอุิตทัดเตระสะสังขาริเธมมาอุดิัดเวอนิยตาธรรมมาอุดิตทัดติงเนตขิยาปจิตติยาธมมาอุดิตทัดเวนวุติปาจิตติยาธรมมาอุดิตทัดจตารโอปาติเดตัญญาธรรมมาอุิทัเติยาธรมมาอุดิตทัดสตาทิกรณสมาัธมมา เอตทันทัศน์ a ัพพะกวาโตสุตตะกตังสุตตะปริยปนังอันวัฏหามะสังอุดຈังอัจจติตทัศเบเหวะสมักเยหิสมโฎมาเนหิอวิวัฎมานเนหิสิกิตบันติ